เป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้รู้แล้วรู้ดีรู้แล้วก็เข้ามา การมันไม่เรียกว่าปัจจานเลยนะคิดๆนะครับแต่ท่านรู้แล้วท่านไปหมดแล้วแม่เรียกคิดสับ ก็ 我们把贝宋喝两瓶了我们把贝宋喝两瓶了